Thank you. ดูคลิปวิดีโอสั้นๆนอยู่คลิปหนึ่งมันเป็นเป็นเรื่องคล้ายๆว่าทะเลาะกันนะฝ่ายนึงก็เป็นผู้หญิงนะคงเป็นแม่บ้านนะห้าสิบหกสิบได้กำลังล้างจานอยู่ล้างไปก็เทียงไปหรือล้างไปก็บ่นไป อีกไฟล์นึ่งก็เป็นนกแก้วนะนกแก้วนี่มันจับคออยู่มันก็เถียงกับผู้หญิงบนบ่นบ น, บ, นบางทีก็หันมาหาที่นกแก้วก็บ่นเสียงดังพอหยุดบ่นนกแก้วก็เกถียงกับเถียงไปเถียงกันม า, างเงี้ยสักพักก็ ต่างก็คือต่างก็ไม่ลดลาบาซให้กันแล้วกันสักพักนกแก้วก็ร้องไห้นะร้องไห้อ่าแม่หรือคนที่เป็นผู้หญิงนั้นก็เลยนะแล้วก็ยิ้มนะันมาที่กล้องแล้วก็ยิม้มเหมือนกับว่ากำลังแสดงให้ดูนะว่าไอ้นกแก้วนี่มันเทียงเก่งนะ ตอนที่นกแก้วร้องไห้นี่มันก็เหมือนกับเด็กๆเลยนะเสียงเด็กร้องอันนี้เราดูแล้วก็ก็นึกว่านกแก้วเนี่ยมันก็คงจะไปเรียนเสียงนะไปเรียนจากคนในบ้านนะผู้หญิงนี่คงจะบน่นให้ลูกๆนะหรือว่าเถียง กับลูกๆเนะี่ยทะเลาะกับลูกๆอยู่เป็นประจำแล้วก็คงจะบน่นหรือทะเลาะกันโตเฉียงกันในเรื่องซ้ำๆนี่แหละอาจจะบ่นว่าเนี่ยไม่ช่วยทำงานบ้านหรือตื่นสายเอาแต่เล่นก็คงจะบ่นซ้ำๆนนกแก้มก็เลยจำได้โดยเพราะจำอ การโต้เถียงของลูกของผู้หญิงคนนั้นนะแล้วก็ในบ้านคงจะมีมีหลานด้วยนะหลานก็คงจะร้องไห้อยู่เป็นประจําเวลาไม่ได้อะไรดังใจก็ร้องไห้นกแก้ก็จําได้แล้วมันก็สามารถจะเรียนเสียงคนในบ้านเวลาแม่บน่บนบางทีจะบ่นลอ ย, ลอย ไอ้นกแกม้มก็มันจำคำโต้เถียงนะของคนในบ้านได้มันก็เอามาก็เอามาพูดนะคล้ายๆเรียนเรียนการโต้เถียงของเด็กในบ้านแล้วมันคงจะรู้จังหวะ น, นะว่าจะเถียงเรื่องอะไรเพื่อเราไม่รู้ความหมายนะเพราะมันเป็นภาษาสเปน เป็นภาษาสเปนแต่คงจะคล้องจองกันผู้หญิงบนอะไรมันก็เถียงกลับคงจะรับกันนั้นนะมันก็เลยดูเหมือนว่ามันรู้ภาษาแต่ที่จริมคงจะไม่รู้ภาษานะแต่ว่ามันมันรู้จังหวะว่าถ้าฝ่ายพูดเป็นแม่เนี่ยเถียงอย่างนี้มันก็จะก็จะเอาก็จะรู้ว่าจะ จะเถียงกับยังไงนกนี่นกแก้ ม, มันมีความสามารถมาในการในการเรียนเสียงคนพูดถึงสมองของมันก็ถือว่าจะเป็นรองก็แต่กากาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนกที่ฉลาดที่สุดอันดับสองก็คือนกแก้วมันไม่ใช่แค่เรียนเสียงได้แต่มันก็รู้ว่าจะเรียนอย่างไรหรือว่าจะพูดอะไรออกมา มันจำประโยคนะจำข้อความได้เยอะอาจจะเป็นเป็นสิบข้อความมันก็รู้ว่าเดี๋ยวจะถ้าได้ยินแบบนี้มันจะจะพูดอะไรออกไปคนที่ได้ยินก็เหมือนกับว่าเออมันมันมันรู้เรื่องนะมันพูดได้ที่มันพูดคงพูดไม่ได้แต่มันจำได้ว่า ตรงนี้องต้องพูดอะไรไมันมีนกแก้ตัวหนึ่งซึ่งฉลาดมากนะเรียกว่าฉลาดที่สุดเท่าที่เคยมนุษย์เคยรู้จักนะมันชื่ออเล็กซ์นะเพิ่งตายเมื่อสามสปีก่อนนะตอนที่ตายก็อายุสามสิบเ็ดปีนกแก้เนี่ยยืนมันจำศัพท์มันจาศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้นีนนับร้อยนะ แล้วก็พูดได้ถูกต้องด้วยเช่นสีแดงสีเขียวเวลาถามว่าเวลาพูดถึงสีแดงก็ชี้ไปที่วัตถุสีแดงเวลาพูดว่าสีเขียวก็ชี้หรือมองไปที่วัตถุสีเขียวกล้วยส้มแอปเปิ้ลมันแยกแยะได้ว่ามันแยกแยกความแตกต่างแล้วคาว่าเหมือนกับต่บางกันได้เหมือนกันกับต่างกันเนี่ยมัน มันแยกแยกได้เวลาเจ้าของเนี่ยนะเจ้าของนี่เป็นเป็นนักนักวิชาการเนเกี่ยวกับเรื่องคือ เ, เรื่องสัตว์นเล็กมันก็เป็นสัตว์ที่มาทดลองในเรื่องการรู้ภาษาผู้หญิงนี่ชื่อเปปเปอร์เบิร์กเวลาแกหัวเสียเนี่ยไอ้เล็กม์คก็จะบอกว่าใจเย็นเย็นเวลาจะเข้านอนมันก็ บอกราตีสวัตอากุดไนมันเคยป่วยนะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมันก็มันก็พูดคําว่ากลับกลับกลับคืออยากกลับบ้านแล้วตอนนี้มันจะตายนี่ก่อนที่มันจะตายมันก็พูดกับเจ้าของล้วเนี่ยํำตัวดีๆพรุ่งนี้เจอกันฉันรักเธออันนี้ประโยคสุดท้ายที่มันพูดแล้วว่าแล้วก็ตาย วัดลุ้ขึ้นถามว่ามันรู้ความหมายไหมนะก็ไม่แน่จะไม่รู้ความหมายก็ได้แต่รู้ว่าถ้าก่อนจะนอนก็ควรจะกล่าวคำนี้คือกนะุศลนายหรือเวลาเห็นเจ้านายหัวเสียมีอารมณ์ก็มันก็รู้ว่าควรจะกล่าวคำว่าใจเย็นๆอาจจะเป็นเพราะมันได้เห็นคน พูดกันเวลาใครหัวเสียมันก็เวลาคนฝ่ายหนึ่งโกรธอีกฝ่ายก็จะพูดใจเย็นๆแล้วก็คงเห็นปฏิกิริยาของอีกฝ่ายพอได้ยินคำ ว, ว่าใจเย็นๆแล้วมันก็สงบลงมันก็เลยเอาคํานี้มาพูดนะเวลาเจ้านายหัวเสียก็จบอกใจเย็นๆอย่างนี้ก็ได้อันี้มาชี้นะว่าสัตว์นี่ มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฝึกได้เราเคยคิดว่ามนุษย์ เ, ยเท่านั้นที่เป็นเป็นสัตว์ที่ฝึกได้สามารถจะคิดภาษาสามารถที่จะสอนให้รู้ให้พูดสอนให้ทำนั่นทำนี่ได้แต่ว่าสัตว์นี่มันก็ฝึกได้เหมือนกัน แล้วก็ฝึกให้ทำในสิ่งที่บรรพบุรุษหรือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่เคยทำมันไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะแต่สัตว์เหล่านี้มันก็สามารถจะทำขึ้นมาได้ไม่เคยมีใครพูดไม่เคยมีใครจำไม่เคยมีสัตว์ตัวไหนาจาได้หรือพูดได้แต่ว่าเราก็ฝึกให้มันทำได้ เนี่ยสัที่เป็นนกแก้ะอย่างอาเล็กซ์เนี่ยคิดว่าต่อไปนกแก้ะตัวอื่นก็คงจะทําได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะทได้ดีกว่าก็ได้อเล็กนี่มันนับนะตั้งแต่หนึ่งถึงแปก็ได้แล้วมันก็รู้ความหมายน ะ, ะหนึ่งหนึ่งคืออะไรสองคืออะไรมันนับได้ถึงแปดศูนย์คืออะไรมันก็รู้ความหมายแต่ต่อไปก็จะมีนกแกะตัวอื่นทําได้ดีกว่านี้ เพราะว่าอะไรพร่อมันมันมีศักยภาพมันมีศักยภาพที่จะที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาความสามารถถ้าเห็นนกแก้วแล้วก็สัตว์นานาชนิดเนี่ยที่มันสามารถจะทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันทําไม่ได้ยิงกาเนี่ยว่ามันฉลาดมากมันสามารถจะแก้ปัญหาต่างๆเพียงเพื่อจะได้มี อาหารเช่นเอาของอาหารซุกไว้ซุกซ่อนไว้ในไว้ในกรงซึ่งมีสลักมีกรอนมีประตูอยู่ห้าชิ้นห้าชั้นเนี่ยมันก็เลยรู้จักทั้งสามารถจะถอดสลักทั้งห้าทั้งห้าชิ้นได้แล้วก็ถอดแบบเป็นลำดับกันคือต้องถอดหนึ่งก่อนสองจึงจะออกได้ถอดสองสามจึงจะออกได้ถอดสามสี่จะออกได้ จนตั้งถึงห้ามันก็สามารถจะถ อ, อดเป็นลำดับลาดับลาดับลาดับจนกระทั่งประตูปเปิดแล้วก็ไปกินไปกินอะไรได้กินขนมที่อยู่ซ่อนอยู่ข้างใน ม, มีเด็กคนหนึ่งนะเด็กแปดขวเนี่ย mm. ก็เป็นเด็กจิตใจดีนะให้อาหารง่ายกับกาอันนี้ไม่ ก, กาเลี้ยงนะเป็นกาธรรมดากาธรรมชาติ อเล็กนี่มันเป็นส์ที่ในเป็นสัตว์ที่เขาเลี้ยงเอาไว้แต่ว่ากาตัวนี้มันเขาไม่ได้เลี้ยงมันแต่ว่าเด็กก็เอาอาหารให้มันกินมันก็รู้จักตอบแทนนะมันก็จะไปหยิบไปคาบเอาของนานาชนิดเช่นก้อนถินก้อนกรวดหรือว่าเศษของเล่นพลาสติกเอามาให้ให้เด็กคนนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน มันก็เป็นรางวัลหรือมันก็เป็นสิ่งตอบแทนเดี็กเขาเก็บเอาไว้นี่ยเยอะเลยนะเป็นร้อยชิ้นเลยมันก็อาจจะไม่ค่อยมีค่านะในสายตางคนเราแต่ว่าการกุ้ง้วนเนี่ยนี่เด็กคงชอบมันกุ้ง้วนเด็กชอบอะไรด้วยมันก็ไปคาบมาเท่าที่มันหามาได้ทุกวันทุกวันและพวกนี้นก็เป็นตัวอย่างว่าสัตว์นี่นะี่มัน ตัวมันโง่นะแต่ว่ามันมีความสามารถที่จะฝึกได้มันเรียนรู้ได้นั้ น, นาภาษาอะไรนะกับจิตใจคนเรานะจิตใจของเราเนี่ยก็ฝึกได้เหมือนกันแล้วก็ควรจะฝึกด้วยถ้ามีคำพูดมนุษย์คือสัตว์ประเสริฐนะแต่ว่าจะประเสริฐได้นี่มันก็ต้องด้วยการฝึกนะคือถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ประเสริฐ เราต้องฝึกให้ถูกต้องเลยจิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝึกได้มีบางคนก็เรียนรู้ธรรมะมาก็เกิดความสงสัยในใจิตเขาว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราควบคุณไม่ได้อ่าแล้วเราจะปฏิบัติธรรมเราจะจะภาวนาไปทำไมจิตไม่ใช่ของเราก็จริงแต่ว่ามันฝึกได้ กเหมือกันนกเนี่ยพวกนกแก้วกาพวกหมาแมวพวกนี้มันไม่ใช่ของเราทังหน่อยแต่ก็ฝึกได้ฝึกให้ทำสิ่งประหลาดประหลาดหรือสิ่งที่ทำได้ยากไม่น่าเชื่อมันก็ทำได้ฉะนั้นจิตเราก็เหมือนกันนะอย่างพระเจ้านี่ก็เป็นองค์แรกนะที่ทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ก็คือฝึกจิตจกนกระทั่งเห็นแจ้งในสัจธรรมจนกทั่งจิตนี้วางไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งใดๆเรียกว่าดับทุกได้อย่างสิ้นเชิงเพราะความไม่ยึดมั่นถือมัน่นสามารถที่จะระวางความสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นกูเป็นนะเป็นฉันได้ในผู้ใจเรียกว่าเป็นกัเป็น เป็นลูกไก่ตัวแรกนะพระองค์เปลวพระองเปลวมันก็ลูกไก่ตัวแรกที่จิกนะออกมาจากจิกเปลือกออกมาจากไข่เรียฟักได้เป็นตัวแรกแต่ก็จะไม่ใช่มีก็ไม่ได้มีแค่คนแรกก็จะมีคนที่สองที่สามตามมาจนนับไม่ถวนก็คือผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์หลุดพ้นเพราะอะหลุดพเพราะเพราะการฝึก การฝึกที่ไหนก็ฝึกที่ใจนี่แหละแต่ก็อาศัยการฝึกกายวาจานะเป็นฐานเพื่อทำให้ใจมันได้รับการปรับปรุงพัฒนาสัตว์ทุกตัวในโดยเฉพาะพวกนกแก้วเนี่ยกาเนี่ยหรือว่าชนิด น, น, นอื่นด้วยเนี่ยมันก็ฝึกได้นะเพราะว่ามันมีศักยภาพหรือที่ว่าจะฝึกในเรื่องไหน ถ้ว่าปลาทองก็ฝึกได้ฝึกให้ไหว้เป็นแถวเป็นกลุ่มก็ฝึกได้ไม่เลวมันมีศักยภาพศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถคนเราก็มีศักยภาพในการที่จะพ้นทุกข์ได้ในการที่จะเกิดปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมพระพุทธเจ้ า, าตรัสว่าเนี่ยอริยโรกุตตรธรรมเป็นทรัพประจำตัวของทุกคน น่นนี่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ฟังแล้วก็ให้กําลังใจนะพวกเราเป็นข่าวดีเราทุกคนมีอริยะโลกุตตะธรรมนะเป็นทรพัพย์ประจาตัวคือความสามารถในการที่จะบรรลุธรรมอยู่เหนือโลกได้โลกุตตะธรรมคือธรรมที่เหนือโลกหรือทาให้มนุษย์เราอยู่เหนือโลก อยู่เหนือทุกอยู่เหนือโลกธรรมไปพ้นจากความหลงนันนี่เป็นศักยภาพที่เราทุกคนมีซึ่งจะแต่จะมีศักยภาพแปลว่าสิ่งที่ความสามารถที่แฝงเร้นไม่ใช่ว่ามันจะออกมาทันทีนะไม่ใช่ออกมาเลยแต่ว่ามันต้องผ่านการเคี่ยวผ่านการกรมผ่านการฝึกพัฒนามันถึงจะแสดงตัวออกมา ก็เมือกับทองมันต้องผ่านเหมือนกันเหล็กนะมันก็ต้องผ่านการถลุงทองก็เช่นเดียวกันไม่งั้นมันก็ดำกระดำกระด่างมันต้องผ่านการถลุงผ่านการผ่านกระบวนการต่างๆจงจะกลายออกมาเป็นวัสดุที่แวววาวเหล็กเพชรมันก็ต้องผ่านการเจริใน การที่เรามาฝึกเนี่ยนะมันก็ที่เรามามาวัดมามาทำอะไรหลายๆอย่างที่เป็นแบบแผนเช่นการทำวัด ส, สดมนการบินธาบาตนะการเดินจงกรมการสร้างจังหวะพวกนี้ก็เพื่อฝึกการทำอะไรซ้ำๆเนี่ยนะมันก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งสัสตร์เนี่ยนะมันต้องผ่านการทำซ้ำๆมันถึงจะ มีความสามารถจะทำนั่นทำนี่ได้เช่นพูดได้พูดนะเรียนศัพท์อย่างอเล็กซ์นี่สัต์ต่างๆนี่เป็นร้อยมันก็พูดได้แต่ว่าสนาเหล่านี้บางทีมันก็พูดแต่มไม่เข้าใจความหมายมันแค่เรียนเสียงน่าต่างจากคนเราเนาะคนเราเนี่ยเราสามารถจะเข้าใจความหมายด้วยแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ ทำสิ่ ง, งซ้ําๆเนี่ยหรือพูดสิ่งซ้ซําๆเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนนกแก้วก็มีนะเหมือนหมอขั้เนี่ยพูดเหมือนนกแก้วคือมันทำโดยไร้ความหมายก็เป็นไปได้นะแล้วก็เป็นบ่อยด้วยอาจารย์ประสงค์นะอาจารย์ประสงค์ปริพุนโนท่านเล่า ว, ว่าเคยไปสมัยที่ท่านบวชสองสามพันศาแรกท่านเคย อ, อยู่สวนโมกแล้วได้ยินกิจศัพท์พระรูปหนึ่งทางภาคเหนือ ท่านอยู่ป่าช้ารูปเดียวแล้วก็ท่านบำเพ็ญทางจิตได้สูงมากช้านี่ท่านทำได้สบายก็อยากไปดูอยากไปพบตอนที่ไปถึงเนี่ยนะท่านกำลังรับมีดกนอยู่พรนะกลุ่มนี้ก็ไปกราบท่านก็ตอบว่าเนี่ยกูรู้แล้วว่าพวกมึงจะมาท่านเป็นพระเก่าแก่แกนะ พูดกลักับมึงแม้ก็ทั่งกับพระกับมองกับหลวงพ่อคูเนะี่ยสมัยก่อนพระพวกภาเภทเกจิอาจารย์เนี่ยกูกัวมึงนะัะนนะกลัรู้แล้วว่าพวกมึงจะมาอาจารย์ประสงค์ท่านก็นึกในใจกูไม่เชื่อไม่เชื่อว่ารู้ลวงหน้าระหว่างที่ก็เห็นท่านกำลังรับมีโกนนะมีกนก็เป็นมีดแบบโบราณ น, นะนะ ไม่ใช่มีดยินเหล็ดอย่างที่เรารู้จักตั้งกล็ลากกับหินเนี่ยแหละอาจารย์ประสงค์ก็เลยพัดวเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่มีดแบบนี้ใช้มีดโกนเดี๋ยวนี้มันเบาพกไปง่ายมีดโกนยมันหนักอาจารย์เวลาไปไหนก็พกมีดโกนไปไปประจำเหรอเออกูพกประจําอ่าแล้วก็ต้องพกเอาหิน หินขัดไปด้วยสิเออเอาไปเหมือนกันอาจารย์จะพกไปยังไงมันหนักเนะี่ยหินเนี่ยอะหินมันหนักเนี่ยท่านตอบว่ากิเลสมันหนักกว่านี้กู ย, ยังพกไปได้เลยท่านอะกิเลสมันหนักกว่านี้กู ย, ยังเอาติดตัวไปได้เลยท่านก็เรียกว่าคนจริงกันนะถ่อมตัว แทนที่บอกเอ้กูไม่มีกิเลสแล้วเนะี่ยนี่บอกกูกิเลสหนักกว่านี้กูยังแบกไปได้โอ้มันก็สอนใจเราได้นะไอ้ที่ว่าหนักหนักห น, กห น, กนี่มันก็ยังสู้กิเลสไม่ได้แต่ก็ยังกิเลสแกักแบกได้แต่อย่างอื่นที่เบา ก, กว่านั้นแบกไม่ได้แล้นท่านก็พอรับเสร็จนะั้นท่านก็ดูความคมนะแล้วก็ดึงดึงนะเพจะเป็นผมหรือขนหนักแข้งเนี่ยนะแล้วท่านก็พา พาขนเนี่ยนาะหรือขนหน้าแข่งเนี่ยเป็นสองซี่คนเนี่ยก็ตะลึงเลยนะโอ้โหพาได้ไรเนี่ยขนหน้าแข่งมันบางมากนะแถมพาแล้วเนี่ยเอามีดโกนเนี่ยนะพ า, าเป็นสองซี่ท่านั้นไม่พอนะท่านพ า, าอีกนะเป็นสี่โอ้ตะลึงเลยนะแสดงว่าเนี่ยไม่ใช่แค่มีดคมอย่างเดียวนะ ท่านองต้องมีพลังภายในด้วยเพราะเวลาเนี่ยมีปกติคนนี่มันเบาอยู่แล้วเนี่ยอะไรมากระทบมันก็เอนโอนเอียงเนี่ยนี่มันมันผ่าออกมาเฉยเลยสี่ซีกนะตาก็าคงจะแม่นมากท่า น, นพระกลุ่มนี้ก็เลยติดใจแทนที่จะไปหาท่านแค่ไปเฉ ย, ยงกลับก็เลยอยู่กับท่านนะเป็นเป็นเดือนนะ สองาทิตย์มอาทิตย์ได้หลวงพ่อรุกงนี้ท่านมีหลวงพ่อนี่ท่านมีกิจวัตรท่านทาบาตรท่างทำกรดท่านทำขาบาตรทำกฎดเองพระหนุ่มก็อยากจะทำบ้างท่านก็บอกเอ้ไปทำนะทำขาบาตรแล้วท่านก็สอนนะไม้ไผเนี่ยเวลาจะผ่าซีกนะก็ให้ภาวนาด้วยละผ่าครึ่งก็ละ ผ่าสีก็ละและแต่ละซีแต่ละซีก็ผ่าให้เป็นซีเล็กๆทําไปแต่ละขั้นก็ให้ละละละมันต้องใช้ประมาณ3 0มร้นะถึงจะทําขาบาดได้ 200- หรือสามรก็ทํากันหลายวันนะแต่ละขั้นก็ละเวลาเหลาแต่ละทีก็ละความมันจะบางนะต้องเหลากี่ครั้งก็ไม่รู้นั่นก็ต้องให้พอนะว่าละละละ อย่างเดียวเผ่านางเดียวคือละละอาจาประสงค์ท่านว่านี่ทำไปได้สองร้อยซี่เนี่ยเกือบจะเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกเอามาตั้งองศาเอาไปทำอะไรนะที่แล้วก็อิดออดไม่อยากให้นะเขาบอกเอามาจาประสงค์ก็ต้องนะมอบให้นทะั้งสองร้อยซี่เลยนะ หลงพ่อท่านนั้นได้รับไปแล้วก็ไม่คืนเอาไปทำใหม่อาจะรย์ประสงค์เอเสียใจมากเลยนะเสียดายนะทำมาเป็นอาทิตย์นะอาจารย์ยึดไปซะล้วนะคืนนั้นต้งคืนนี่เอาแต่คิดกังวลเสียดายวนะันรุวงขึ้นก็จะไปทวงจะไปทวงคืน ทัน้นเลยบอว่ามึงไม่ได้ละจริงนี่หว่าโอท่านปิงเลยน ะ, ะอาจารย์ผสมปิ้งเลยโอ้เราภาวนาว่าละละละแต่ว่ายิ่งละกับยิ่งภาวนากับยิ่งยึดของกูของกูของกูงกนีพอหลวงพ่อมามายึดนี่เสียดายเสียใจต้องหวงแห น, นี่ไม่รู้ว่าหาลูกมาเนี่ยอาจารย์กําลังฝึกนะ ให้รู้จักละให้ปล่อยวางพอรู้คำเฉลยนี่ก็เห็นเลยหนะ้าที่เราพูดว่าละละนี่มันไม่ได้ละจริงเนี่ยมึงไม่ได้ละจริงหรวะกลายเปว่าที่ที่ภาวนาว่าละล ะ, ละนี่มันก็ทำแบบนกแก้วนกขุนทองพูดไปเหมือนแต่ไร้ความหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องเราที่สอนใจดีนะบางบ่อยครั้งเราก็สิ่งที่เราทำมันก็มันก็พูดเหมือนกับนกแก้วนกขุนทอง เราไม่ได้ออกมาจากใจหรือไม่ได้ไม่ได้เอามาไคร้ควรจริงอย่างเช่เวลาสวมดมนต์ทำวัดเช้าเนี่ยแผ่เมตตาขึ้นต้นนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เพื่อนเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหทั้งสิน้นบางทีเราก็พูดไม่แต่นกแก้วนะหรือว่าไปตามธรรมเนียมแต่ไม่รู้ความหมายหรือไม่ได้ตั้งใจพูดจริงๆว่าไปเรื่อย ในใจกยังมีความโกรธความเกลียดนะความความเพียรบา่โกรธคนนั้งเกลียดคนนี้ น, น, นนะแต่ก็ว่าแผ่เมตตาให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ดูดีมันก็เป็นการการท่องแบบนกแก้วนะนกขุนทองพูดได้นะแต่ว่าไม่รู้ความหมายหรือไม่ได้จริงจังอะไรกับมันบทสวดที่เราสวดนี่แต่เรบทนี่ มั้หลายบทก็มีความหมายลึกซึ้งนะหลายท่านก็ท่องาากกธรรมจักรปัตนสูตรได้อนัตตลกนัสูตรแต่ก็เหมือนกับท่องแหวนนกกาลนกคุณทองไม่รู้ความหมายไม่ได้มาพิจารณาแม้แต่ที่เราสวดเนี่ยขอทำชะนายการทำที่สุดแห่งกองทุกท้องสิ้นนี้จะพึงปรกากฏชัดแก่เราได้เหล่าค่อยอพรมจันทร์ทั้งหลาย เพิ่งเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เทินนะไข้ผมไปแจ้งของเราทั้งหลายนะจงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เทินหรือเพื่อการทําที่สุดให้แจ้งอัน้นี้บางทีมันก็กลายเป็นการท่องแบบลูกแก้วตุนทองนะไม่ได้ตั้งใจจริงไม่ได้จริงจังกับมันไม่ได้ใคร่ควรกับมันได้ซ้ําในการปฏิบัติของของนักภาวนานักบวช ต้องถ่ายมันเป็นไม่ใช่แค่การท่องซ้ําแบบนกแก้วเวลาไปสอนคนก็เหมือนกันนะสอนสอนคนนะสอนอย่างที่พูดเมื่อวานะสอนให้ปล่อยวางสอนคนหน่งเขปล่อยวางแต่ตัวเองปล่อยวางไม่ได้พอเขาไม่ปล่อยวางอย่างที่ตัวเองสอนก็โกรธเขาโมโหหรือกุ้มใจอันนี้ อนนีเก ว, ว่าพูดแบบนกแก้วนกขนทองคือบอกคนอื่นแต่ตัวเองทำไม่ได้เพราะไม่ได้เข้าใจความหมายจริงๆคือเราเข้าใจความหมายจริงเนี่ยนะมันก็จะสังเกตแล้วเอ๊ะเราทำไ ม, มนะเราหงุดหงิดนะเราไว้เขาปล่อยวางแต่ทำไมเราหงุดหงิดนะนะก็เพราะเรายังปล่อยไม่ได้เหมือนกัน บางคนนี่ไปเยี่ยมผู้ป่วยนะก็ไปบ่อยเขปล่อยวางปล่อยวางแต่ตัวเองก็กลับทุกข์กับเสียใจที่เขากาลังจะตายบ่อยเขาปล่อยวางแต่สังขารไม่ใช่ของเราแต่พอเขาไม่เข้าใจก็เสียใจหรือถึงแม้เขาปล่อยทําใจแล้วก็ยังเสียใจร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ของเรามันเป็นสักวัตถาดดินน้ำลมไฟมันไมมีตัวเราเลยนะ ไม่ใช่เราที่ป่วยนะมันเป็นกายที่ป่วยมันมีเรามีของเราแต่คนพูดนี่คนที่สอนนี่เวลาถูกดา่าก็โปรเลยนะเนี่บางทีขณะที่สอนก็นแนะนําคนป่วยว่าเนี่ยร่างกายไม่ใช่ของเรามันเป็นศัต่าธาตุดินน้ําลมไฟมันไม่มีเราไม่มีแต่ขันท่าพอคนที่ ข, ข้างๆเขา เขาว่าก็าตำหนิว่าในะพูดอย่างนั้นได้ไงใครก็จะเข้าใจไอ้เจ้าตัวโกโรธขึ้นมาเลยเอ่าลืมถามตัวเอิงถามหรือมองตัวไอ้ใครโกโรธนะมีกูที่โกรธหรือเปล่ามันไม่มีกูเนะี่ยมันมีแต่ขันท่ามีแต่ธาตุสีแล้วใครที่โกรธไม่มองแบบนั้นบ้างนะแต่ไปไปสอนคนอื่นนะว่าอย่าอย่าทุกข์อย่าปวดเลยไม่มีกูที่ปวดมันมีแต่ขันท่านะ ไม่ใช่กูปวดมันเป็นขันธ์หาที่กําลังแตกดับอ่ะพูดไปเรื่อยนะแต่พอตัวเองถูกตําหนิถูก ว, ว่าไปสอนเขาอย่างนี้ได้ยังไงใครเขาจะเข้าใจถ้าอวดภูมิหรือเปล่าเนี่ยไปแสดงภูงมิไหมร้อนวิชามโอ้โหเลยนะอันนี้ก็แสดงว้ที่สอน เ, เนี่ยมันเป็นนกแก้วนกขุนทองตัวเองไมไ่เข้าใจความหมายสอนเขาได้แต่ตัวเองทําไม่ได้ แค่ถูกวิจารก็นี่ก็โกรธแล้วเพราะมันมีกูมีกูกูถูกดา่ากูถูกว่าสอนเขาว่าอย่ามีกูแต่ตัวเองนี่ก็มีกูเต็มที่นี่มันก็ต้องระวังไอ้ไอการปฏิบัติของเรารวมทั้งการสอนมันก็ต้องอย่าให้มันเป็นแบบพูดไปเรื่อยแบบนกยาทุกขุนทองจำเข้ามาพูด อันนั้นกแก้วนกุนทองก็ทำอย่างนั้นแหละจำมาพูดแม่ก็แมบางตัวจะจำมาแล้วพูดได้ถูกถูกเวลาเวลาถูกบริบทอย่างนกแก้วตัวที่เถียงกับแม่เนี่ยมันก็เถียงได้เป็นเรื่องเป็นราวพอถูกว่ามากๆว่ามันก็ร้องไห้ก็ดูเป็นเรื่องเป็นราวนะว่ามันไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆบางทีการภาวนาของเราเนี่ยการสวดมนต์ของเรานะการ บรกรรมของเรามันก็กลายเป็นการว่าแต่ปากอย่างที่หลวงพ่อท่านสอนอาจารย์ประสงค์เนี่ยแต่ท่านไม่ทันรู้ตัวว่าเนี่ยมึงไม่ได้ละจริงหรอเป่าพูดว่าละละลาเนี่ยทั้งวันเลยนะแต่เช้าจดเย็นเช้าจดเย็นละละละพูดไปเจ็ดปดวันแต่ว่าใจไม่ได้ละด้วยนนี้เหมือนเราสอนแนะเขาปล่อยวางก็าปล่อยวางแต่ใจเราก็ไม่ได้ปล่อยวางมันก็ มันก็ไม่ตาา่าง่างนกแก้วหรองเอาล ะ, ะชาตนี้พูดกันเท่า น, นี้